อันให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบในสมยสูตรอังคุตระนิกายปัญจกานิบาตมีพุทธพ์ธว่าภิกษุทั้งหลายห้าอย่างเหล่านี้ไม่ใช่สมัยที่เหมาะสําำหรับบำเพ็ญเพียรห้าอย่างคืออะไรกล่าวคือหนึ่งภิกษุเป็นผู้แก่เท่าถูกชาะาครอบงำสอง